ความเลื่อมใสอันเลิศสประการนี้สประการเป็นไงดูกวามพิสูจนทั้งหลายสัตว์ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใด พระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์ประมาณเท่านั้นดูกวามิสูจน์ทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศก็แหละผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศนะครับถ้าหากว่าเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศก็จะได้รับผลที่เลิศอตใช่ไหมวิบากที่เลิศ ครับถ้าเปรียบเทียบแล้วนะสัตว์ไม่มีเท้าอย่างเงี Ä, <c Nim complaining>. ้ยนะพวกงูพวกปลาเป็นต้นนะครับสัตว์สองเท้าก็พวกไก่มนุษย์เนี่ยนะหรือว่าสัตว์สีเท้าเช่นโคกระบือช้างม้าหรือว่ามีเท้ามากนะครับเช่นตะกูลกิ้งกือทั้งหลายแหล่น่นนะหรือว่าสัตว์มีรูปมีรูปก็เช่นกามประพูงการูปประพูงนะครับสัตว์ที่ไม่มีรูปได้แก่อรูปประพูงหรือว่าสัตว์มีสัญญาก็ปัญจโวกาลภูมินะครับ สัตว์ไม่มีสัญญาก็ได้แก่อสัญญาสัตส ต, ตาภูมิแล้วก็ถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในโลกธาตุทั้งหมดนะครับพัตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเลยนะถ้าเทียบจํานวนบุคคลเนี่ยนะครับไม่มีใครเลิศกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะไม่มีใครเกินเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็มีคุณเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกัน ที่จะมีคุณยิ่งกว่าการนี้ไม่มีมีแต่มีพระคุณเท่ากันเท่านั้นนะครับดูกานพิสูจน์ทางลายสังคตาธรรมก็ดีอสังคตาธรรมก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความระหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอะไรตัดซึ่งวัตต์สิ้นไปแห่งตันหาสิ้นกำหนัด นะความดับนิพพานนะครับบัณดิตกล่าวว่าเลิศนะครับกว่าสังฆตาธรรมและอสังฆตาธรรมเหล่านั้นดูความพิสูจนทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิรา่าธรรมชนเหล่านั้นเชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศอันธรรมะอันเลิศในที่นี้นี่นะครับประสงค์ไปที่พระนิพพาน เพราะว่านิพานนั้นเป็นที่บรรเทาความเมาแล้วก็นําเสียซึ่งความระหายระหายในวตตะนะครับจะถอนออกหมดเลยแล้วก็ถอนเสียซึ่งอะไรตัดวตัตตะแล้วก็ตันหาจะจบจะสิ้นนะครับหมดความกําหนัดแล้วก็ความสงบประงับดับกิเลสได้หมดนะครับนิพานนี่นะครับเลิศที่สุดนะครับดูความพิสูจนทั้งหลายสังคตะธรรมมีประมาณเท่าใดอริยมรตมีองค์8 คือสัมาธิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตาธรรมเหล่านั้นนะครับในบรรดาของที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะที่ต้องประกอบกันขึ้นอาศัยปัจจัยจึงจะรวมตัวกันได้สมมติเรายกตัวอย่างเหมือนกับข้าวทั้งหลายนะครับมันก็ต้องอาศัยประกอบกันขึ้น หรือแม้กระทั่งมนุษย์เทวดาทั้งหลายนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นทั้งนั้นนะครับทีนี้ในบรรดาสิ่งที่ถูกประกอบกันขึ้นเนี่ยนะครับอริยมรรคประเสริฐที่สุดนะครับบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังฆตะธรรมเหล่านั้นดูการพิสูจทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในธรรมะคืออริยมรรคชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศนะครับ เพราะว่าสิ่งที่จะเลิศกว่าอริยมรรคไม่มีแล้วนะครับในบรรดาสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะครับดูการพิสูจน์ทั้งหลายหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดหมู่สาวกของพระตถาคตคือคู่บุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดบดีดกล่าวว่าเลิศกว่ามหมู่และคณะเหล่านั้นดูการพิสูจน์ทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระองค์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในหมู่เลิศ ก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคล ผ, ผู้เลื่อมใสในพระสงค์ผู้เลิศนะครับนั้นคําว่าหมู่คณะนี่นะครับหมู่คณะทั้งหลายแล่นี่นเช่นหมู่คณะเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นตนําบลเป็นอําเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศเนี่ยนะครับเป็นทวีปหรือว่าหมู่คณะที่เป็นเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล่นี่นะครับหมู่ชนคือพระอริยบุคคลเนี่ยนะครับประเสริฐที่สุดคือคู่แห่งบุรุษสีคู่นะครับ บุรุษบุคคล8คือผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลสกทาคามิมาคสกทาคามิผลอนาคามมาคอนาคามาิผลอรหัตตมาคอรหัตตผลคู่บุรุษเหล่านี้นะครับบุรุษคนเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในบรรดาหมู่คณะทั้งหมดเลยนะหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นประชาชนชุมนุมชนที่ไหนก็ช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคระดับประเทศ หรือระดับทวีปนะครับหรือว่าทั้งโลกนะครับหมู่ชนที่จะเลิศกว่าหมู่ผ้าอารย บ, บุคคลนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับดูความพิสูจนทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมสายในพระสงฆ์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมสายในหมู่เลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมสายในพระสงฆ์ผู้เลิศดูความพิสูจทั้งหลายความเลื่อมสายอันเลิศสประการนี้ แ, แลนะครับเรียกว่าเลื่อมสายในสิ่งที่เลิศเลิศเลยนะ แรกก็คือพระพุทธเจ้าข้อสองก็พระธรรมพระธรรมก็แบ่งเป็นสองคือนิพพานกับอริยมรรคนะครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็พระอริยสงฆ์นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเมืม่อชนทั้งหลายเลื่อมใสแล้วในพระตน ะ, ะตรัยที่เลิศโดยความเป็นของเลิศ รู้แจ้งธรรมะอันเลิศนะคะรับเลื่อมสายแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักษิณนิยบุคคลยอดเยี่ยมเลื่อมสายแล้วในพระธรรมอันเลิศซึ่งเป็นที่สิ้นกำหนัดและเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมสายแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นบุญยเขตอย่างยอดเยี่ยมถวายทานในพระตนะตรายที่เลิศบุญที่เลิศ ย่อมเจริญอายุวันนะยศเกียรติคุณสุขะและละอันเลิศย่อมเจริญนักปราชญ์ถวายไตยธรรมแก่พระตนะไตรที่เลิศตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันเลิศแล้วเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่นะครับนนะถ้าหากว่าผู้ที่มีศรัทธาหรือว่ามีเลื่อมใสนี่นะครับ มีใจที่มั่นคงอยู่ในคุณของพระัตนะตรายนี่นะครับก็จะได้รับวิบากที่เลิศนะครับอะไรที่เลิศเลิศทั้งหลายแล่นี่นะครับอธิคถาอธิบายนะครับคำว่าเลิศเนี่ยนะครับบาลีว่าอคกะอะักฆะอักฆะนี่ยนะครับโดยศัพท์นี้แปลได้หลายอย่างนะเช่นแปลว่าเบื้องต้นก็ได้แปลว่าที่สุดก็ได้แปลว่าส่วนก็ได้แปลว่าประเสริฐที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นแปลได้ประมาณ4ี่ใน คือแปลว่าเบื้องต้นหนึ่งที่สุดเป็นที่สองสส่วนสี่ประเสริฐสุด น, นะอาคาที่แปลว่าเบื้องต้นก็เหมือนกับในประโยคว่าผู้เฝ้าประตูนะสหายผู้เฝ้าประตูเอย๋ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะปิดประตูสําหรับนิครณและนิครันทีทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราถึงพระรัตนาใจเป็นที่ระลึกตลอดชีวิต อันนี้ก็เป็นถ้อยคําของอุบาลีนะครับอุบาลีเครหาบดีผู้เลื่อมสายในพระตนะตรัยนะครับในอุบาลีวาทสูตรมชิมณิกายมชิมปันณาตนะเพราะฉะนั้นอัคคะตรงนั้นนี่แปลว่าเบื้องต้นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับปรากฏในความหมายว่าที่สุดก็ได้นะครับอัคคะแปลว่าที่สุดเช่นในประโยคในพุทธพจน์ว่าเอาปลายนิ้วนั้นนั่นแหละรูปปลายนิ้วนั้นและ ปลายอ้อยและปลายไม้ไผ่นะครับก็คือเอาปลายนะเพราะฉะนั้นแปลว่าที่สุดก็คือแปลว่าปลายนะครับอักขนนี้บางทีก็แปลว่าปลายหรือแปลว่าที่สุดก็ได้หรือว่าแปลว่าในส่วนก็ได้นะครับแปลว่าส่วนนะเช่นในประโยคเป็นต้นว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายส่วนแห่งขาทนญญาโภชนียะที่มีรสเปรี้ยวก็ตามส่วนแห่งขาธนญญา ที่มีรสหวานก็ตามส่วนแห่งคาชนิยะโภชนิยะที่มีรสขมก็ตามเราตถาคตอนุญาตให้แจกแบ่งกันตามส่วนแห่งวิหารหรือตามส่วนแห่งบริเวณอันนี้ก็แสดงในพระวินัยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าส่วนนะครับหรืออักขะแปลว่าประเสริฐที่สุดนะครับเช่นในประโยคว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ล้ำเลิศกว่าบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้เราเป็นผู้ประเสริฐของชาวโลกนะครับอันนี้ก็หมายคว่าอาัคคะตัวนี้นี่นะครับหมายถึงความเป็นผู้เลิศนะเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้อาคาัคคะศัพท์ในที่นี้นี่นะครับมีความหมายว่าประเสริฐที่สุดเท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่าเบื้องต้นนะไม่ได้แปลว่าส่วนไม่ได้แปลว่าที่สุดนะครับแปลว่าเลิศอย่างเดียว เพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายว่าความเลื่อมใสในสิ่งที่ล้ำเลิศทั้งหลายคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับจึงเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศนะครับอะไรที่แบบล้ำเลิศนะก็คือประเสริฐนั่นแหละครับหรือว่าความเลื่อมใสเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจึงเชื่อว่าเป็นความเลื่อมใสที่ล้ำเลิศอันหนึ่งในความหมายอย่างก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสพระรัตนตรยัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเอาไว้ด้วยอักขสับนะครับคือพระพุทธเจ้านี่นะครับเป็นผู้เลิศนะพระธรรมก็เลิศพระสงฆ์ก็เลิศในสัตว์โลกนั้นนะครับอธิบายคุณพระพุทธเจ้านะว่าพระองค์เลิศอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐก่อนนะครับโดยความหมายว่าไม่มีผู้เปรียบนะครับหนึ่งนะใครจะมาเปรียบพระองค์นะครับ นี่ก็โดยความหมายว่าเป็นผู้วิเศษด้วยคุณความดีแล้วก็โดยความหมายว่าไม่มีผู้เสมอเหมือนนะครับก็ประมาณ3ามในนะครับเอามาเป็นตัวอย่างพอให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยประเสริฐอย่างไรในข้อแรกเลยว่าประเสริฐเพราะไม่มีผู้เปรียบเนี่ยอธิบายว่าจริงอยู่พระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศโดยความหมายว่าไม่มีผู้เปรียบเพราะทรงทําอภินิหารมามอกนะครับคือทําความป่าทะนา และการสั่งสมบา ร, รมีสิประการมาเป็นเบื้องต้นจึงไม่เป็นเช่นกับคนทั้งหลายที่เหลือนะครับเพราะพระคุณคือโพธิสมภารเหล่านั้นและพระพุทธคุณทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปเทียบนะครับใครที่มีความปรารถนาในลักษณะนี้นะปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นด้วยหลังจากนั้นพระองค์ก็สมาทานอธิษฐานพระบารมีทั้งสินะครับ ตั้งแต่ทานศีลเนคข ม, มปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาแล้วบารมีก็ยังไม่ได้อยู่เท่านั้นนะครับยังแบ่งระดับสูงขึ้นไปเรียกว่าระดับอุปปรารมีแล้วก็ระดับชั้นยอดเลยเรียกว่าปรมัภิปรารมีนะครับแล้วบารมีที่บำเพ็ญเนี่ยก็ไม่บำเพ็ญเหมือนกับคนทั้งหลายคือทํามากกว่าคนทั้งหลายอย่างมหาศาลนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ สามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้เมื่อบรเพณ์บา ร, รมีเป็นต้นนี่นะครับได้อย่างเต็มเปี่ยมเมื่อบรรลุโพธิโพธิญาณแล้วก็ประกอบพร้อมไปด้วยพระพุทธคุณนะครับพระพุทธคุณทั้งหลายถ้าอย่างย่อๆที่เรารู้กันเช่นพระปัญญานี่ก็ไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกรุณาก็ไม่มีใครเปรียบนะครับแล้วก็พระบริสุทธิ์ก็สะอาดหมดจดโดยที่สุดแม้แต่วาสนา นะครับอันนี้ก็ชื่อว่าพระองค์นี้ไม่มีใครมาเปรียบเลยนะครับไม่ว่าจะเอาด้านใดด้านใดด้านหนึ่งแง่ไหนแง่งงหนึ่งนะครับมาเปรียบพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้ล้ำเลิศเพราะเป็นผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์อันนี้ในที่2นะครับบอกว่าคือแม้โดยความหมายว่าเป็นผู้วิเศษด้วยคุณความดีนะครับเพราะพระองค์นี้มีพระคุณมีพระมหากรุณาคุณเป็นต้น ที่วิเศษกว่าคุณทั้งหลายของสรัรพสัตที่เหลือนะครับใครมาใครบ้างครับที่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับจะเจริญมหากรุณาไปในสัพพสัตทุกหมู่เหล่าเลยนะครับโดยทั่วๆไปธรรมดาลแล้วก็เอ๊จะเอาอะไรจากใครได้บ้างใช่ไหมครับแต่นี้ตื่นเช้ามาก็จะเจริญมหากรุณาไปในสัตว์ทั้งหลายนะครับว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเคลื่อนพลแล้วยกพลแล้วนะครับโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนนะครับโลก ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนะครับโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแ ต, ตนหาโลกนี้ถูกอวิชาตันหาเป็นต้นกลุ่มรุมครอบงํำเล่นไปตามอํานาจของตตนหามานะและทิฐินี่นะครับมากไปด้วยทุตเจริตเป็นมิจฉาทิฏฐินะฮะแล้วก็ถูกโอกคท่วมทับถูกนิวรกลุ่มรุมเป็นต้นเนี่ยนะครับพร่องก็เจริญพระมหากรุณาที่คุณไปในสัพพสัตทุกหมู่เหล่านะครับไม่มีเลือกมีเว้นเลย จเจริญไปหมดนะครับเพราะฉะนนั้ผู้ที่จะมีกรุณาแบบนี้เนี่ยนะครับเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหาได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นจะมีได้เฉพาะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็กรุณาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่า โ, โหมากรุณาสงสารเขาไปหมดแล้วมานั่งเสียอกเสียใจร้องไห้รำพันนี่ก็ไม่ใช่นะครับมีอาสยานุนสยายานที่จะเล็งที่ว่าเจะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์เหล่านั้น น, น, นะครับ ผู้มีอินทรีย์มีบารมีที่เคยบําเพ็ญเคยสะสมมาพงษ์ก็อาศัยอนนาวรณญาณเป็นต้นเนี่ยนะครับอาศัยอินทรียประโภคปยตญาณอาศัยอนุสยญาณตรวจสอบดูสรรพสัตว์ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาศัยพระมหากรุณาดัวยแหละเป็นบาดกระตุ้นเตือนให้ไปช่วยเหลือแสดงธรรมให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้รับคุณวิเศษนะครับจากพระผู้มีพระภาค เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ล้ำเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือว่าชื่อว่าผู้ล้ำเลิศแม้โดยความหมายว่าไม่มีผู้เสมอเหมือนนะครับคือจะใครเสมอเหมือนเท่ากับพระองค์นะครับเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นผู้เสมอโดยพระคุณทางรูปกายและพระคุณทางพระธรรมกาย กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปางก่อนผู้ไม่เสมอเหมือนกับสรรพสัตว์นะครับคำว่าธรรมกายนั้นเป็นชื่อของปัญญานะครับไม่ใช่เป็นชื่อของอย่างอื่นนะหมายถึงพระปัญญาที่มีอยู่ในพระขันธสันดานหมายถึงอย่างเช่นอาสาธารณญานนะครับยานที่อันแรบอันดับแรกเรียกว่าอะไรนะครับ อินดิยปรปริยติยานนะครับยานที่ยังรู้ถึงความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของศาสต ร, ร์ภาทั้งหลายนั้นธรรมกายตัวนี้เป็นชื่อของพยานนะครับ an, อินริยาปรปริยติยานอาสยามุสยายานยมกะปาติหาริยะยานมหากรุณาสมาบัติยานนะครับสัพพัญยุตยานแล้วก็อนนาวรณายานแม้กระทั่งยานที่แทงตลอดอริยสัจสี่หรือพยานที่ แทงตลอดปฏิสามพิธามักนะครับยานที่จําเนกพระธรรมทั้งหลายแล่นี่นะครับพยานทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับเรียกว่าพระธรรมกายเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ที่พระองค์มีอยู่ก็เสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนผู้ไม่เสมอเหมือนกับสรรพสัตว์เท่านั้นนะครับคือมีคุณธรรมเหมือนกันหมดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเรียกว่าเป็นผู้เลิศในโลกเพราะมีปรากฏการที่หาได้ยาก เพราะความเป็นอัจฉริยะนะอัจฉริยะคืออัศ จ, จรรย์นั่นเองนะครับเพราะนํามาซึ่งหิจสุขแก่คนหมู่มากนะครับคือจะเราถามดูนะว่าใครนะครับที่กล่าวว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่แก่สัตว์ประสาเท่ากับพระผู้มีพระภาคไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรที่เป็นโทษนะพระองค์ก็กําจัดโทษทั้งหลายเหล่านั้นให้เพราะให้สัตว์หมดเลย อะไรที่เป็นไปเพื่อคุณงามความดีเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งหลายแหละที่จะพึงมีแก่สัตว์พระองค์ก็ให้สัตว์เหล่านั้นได้รับคุณเพราะฉะนั้นหิตดสุขนะครับความสุขหรือว่าประโยชน์เกือ้อกูลทั้งหลายพระองค์ก็บำเพ็ญเพื่อสรรพสัตว์นะครับและพระองค์ก็เป็นผู้ไม่เป็นที่สองรองจากใครนะครับไม่มีใครเท่านะเพราะว่าพระองค์ในเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นนะครับ ไม่มีใครเป็นสหายร่วมคิดนะครับพระองค์ไม่ต้องไปปรึกษาใครนะเออสารีบุตรเราขอปรึกษาเธอนะในกิจการนั้นๆไม่มีครับเพระเาะฉะนั้นไม่ต้องปรึกษาใครแล้วแต่อย่าไปเรียนแบบนะครับแต่หมายความว่าพระองค์เนี่ยเพียบพร้อมบริบูรณ์หมดเลยนะครับเช่นพระองค์ที่ตรัสไว้ในพระบาลีว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกนะครับบุคคลพี่ผู้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยหาได้ยาก ถามว่าบุคคลผู้เป็นเอกคือบุคคลผู้เป็นหนึ่งเดียวอะ่ะคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหนึ่งนะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสาคำเนี่ยนะถ้าอธิบายให้ดีแล้วก็ถ้าทำความเข้าใจให้เพียงพอจะรู้ว่าโอ้โหคำนี่ไม่ธรรมดานะครับตถาคตมี16ความหมายนะครับนะถ้าจะเอาทั้งสองในมาขยายนะครับ อรหรันอรหันนี่ประมาณสิบเอ็ดความหมายนะครับสัมมาสัมพุโทโธก็ห้าความหมายใหญ่ๆนะครับห้าความหมายใหญ่ๆเพราะฉะนั้นแต่ละนายแต่ละนายเนี่ยโอ้โหเป็นบุคคลเอกจริงๆนะครับหาไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อจะอุบัติในโลกจะอุบัติขึ้นเป็นอัจฉริยมนุษย์นะครับนะครับคือไม่มีเอ่อเรียกว่าเป็นมนุษย์อัศจรรย์นะครับ ไม่มีผู้ใดที่จะน่าอัศจรรย์เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วนะครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่ออุบัติในโลกจะอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากนะครับบุคคลผู้เป็นเอกนั้นก็คือพระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจนทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลก จะเกิดขึ้นไม่เป็นที่สองรองจากใครวังนั้นเลไม่มีใครเป็นสหายร่วมคิดไม่มีผู้เทียบไม่มีผู้เทียมไม่มีบุคคลเทียมทันไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เสมอเหมือนเป็นผู้ล้ำเลิอดกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกนั้นก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะพระองค์นี้เป็นสุดยอดของบุคคลทั้งหลายแล้วนะครับ เพราะว่าใครที่จะบำเพ็ญบุญญาบารมีสร้างสมอธิการเหล่านี้เนี่ยนะมาเพื่อที่จะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ส ร, รพพสว์ทั้งหลายเท่านี้ไม่มีอีกแล้วและพระองค์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับสัรพสารเนี่ยได้รับประโยชน์มหาศาลเลยนะครับถามว่าประโยชน์ขนาดไหนก็คิดดูนะครับตั้งแต่แรกพระองค์ตรัสรู้เลยนะนับตั้งแต่เริ่มแรกตรัสรู้เนี่ยกิจการเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยบำเพ็ญประโยชน์สุขนะครับก็ดําเนินมาเรื่อยจนมาถึงยุคปัจจุบัน ผู้ใดก็ตามถ้าแค่ระลึกถึงคุณของพระ อ, องค์นะครับจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลของเขาจะระ ง, งับทันทีนะครับถามว่าบุคคลขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับนะอย่างคนกําลังก่อกรรมทำชั่วนึกถึงคุณเพีเดียวแค่นั้นนะครับเลิกเลยนะครับมันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแกสัตว์ประสาทเท่าขนาดไหนนะครับแม้กระทั่งเราเทวดามารพรมเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสัตว์เหล่านั้นจริงๆแม้พระธรรมและพระสงฆ์ก็เชื่อว่าล้าเลิศนะครับ กว่าพระธรรมและพระสงฆ์เหล่าอื่นคือของลทัทธิอื่นโดยความหมายว่าไม่มีสิ่งเหมือนและผู้ละไมโดยเป็นของมีปรากฏการณ์ที่หาได้ยากเพราะเป็นผู้มีคุณความดีพิเศษเป็นต้นนะครับคือพระธรรมนี้ก็ไม่จะวบบเป็นเหมือนกับคําสอนลทัทธิอื่นนะครับหมู่สาวกทั้งหลายก็ไม่เหมือนกับสาวกของลทัทธิอื่นนะครับจริงอย่างนั้นพระธรรมและพระสงฆ์เหล่าอื่นจะละไมหรือมีความเลวน้อยกว่าคุ ณ, ณวิเศษ มีความที่พระธรรมเป็นสวากขาตธรรมและความที่พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นหามีไม่คือจะเป็นผู้ประเสริฐสุดมาแต่ไหนนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับคําสอนของทุกๆคําสอนในโลกนี้ที่มีอยู่นะครับอย่างยกตัวอย่างเลยนะเข้าไปในร้านหนังสือตามมหาลาัยต่างๆนะครับตามวิทยาลัยต่างๆที่มีหนังสือหนังหาตํำรับตําราวิชาการซึ่งขนกันเป็นรถสิบล้อก็ไม่หมดเนี่ยนะครับมันมากขนาดนั้นเนี่ยนะ แนวความคิดข้อเขียนของทุกคนทุกคนทุกคนทีนท่ที่ทํางานออกมาเนี่ยนะครับไม่มีผู้ใดที่ว่ารองรองพระพุทธเจ้าออเท่านั้นเนี่ยหาไม่ได้ครับหาไม่ได้่ะหาไม่ได้นอกจากพระตถาคตนะที่ที่บอกหูรองรองพระไตรปิฎกเท่านั้นแหละอันนี้ไม่มีจริงๆนะครับเว้นไว้แต่มาเรียนพระไตรปิฎกเท่านั้นนะมาแต่งเรียนเท่านั้นนี่ยแต่ถ้าโดยธรรมดาแล้วไม่มีนะครับ หรือแม้กระทั่งหมู่คณะทั้งหลายที่บอกว่าโอ้โหกลุ่มเนี่ยปฏิบัติดีจริงๆปฏิบัติตรงเป็นต้นเนี่ยนะเว้นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่จะรองรองสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วนะครับ